แต่ทีกับคนดีๆไม่มีเจ้าของที่มาชอบดิฉันกลับไม่รู้สึกอะไรด้วยไม่อยากให้ความหวังหรือแค่หลอกใช้พวกเขามันแปลว่าดิฉันเป็นคนบาปจึงชอบคนดีไม่ได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้พยายามเลิกอยู่แล้วพอหันมาเชื่อกำวิบากดิฉันยิ่งฝืนห้ามใจตัวเองหนักขึ้นแม่เขาร้องไห้คร่ำครวญขอมีอะไรด้วย และสัญญาว่าจะเลิกกับพัญยาดิฉันก็พยายามหนักแน่นให้กำลังใจให้เขาอยู่กับพัญยาต่อและตั้งใจว่าจะเลิกประพฤติผิดในการอย่างเด็ดขาดเท่านี้เพียงพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางคนบาปได้ไหมตอบก่อนอื่นมาตั้งต้นทำความเข้าใจเรื่องดีเรื่องเลวกันให้ชัดตรงที่คุณบอกว่า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 กรองตัวบริสุทธิ์พุดพองแบบพระแบบชีอันนั้นคงแปะป้ายคนดีที่สว่างโรให้แก่เขาได้อย่างเต็มใจแต่หากเจอใครที่เอาแต่คิดถึงตัวเองปากคอเลาะร้ายและมีชีวิตอยู่เพื่อกอบโกยช่อชนฟาดฟันลูกเขาเมียใครดะไปหมดอันนั้นคุณคงประทับตาไอ้เลวหรืออีเลวติดหน้าผ่าเขาอย่างไม่รีรอ แต่คุณไม่ใช่และที่เห็นเห็นกันอยู่ทั่วไปก็หาได้มีรัศมีเทพหรือกลิ่นอายเปรตชายชัดคนส่วนใหญ่บางทีก็คิดถึงตัวเองบางทีก็คิดถึงคนอื่นบางทีพูดด้วยความโกรธบางทีพูดด้วยเมตตาบางทีทาด้วยความโลภบางทีนึกอยากเสียสละอันนั้นคุณจะไม่จดจําไว้ว่าแสนดีหรือแสนร้าย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 ไม่ชอชนเพ่งจะเอาทรัพย์ผู้อื่นไม่พูดจาด้วยจิตศกรกระกไม่ร่ำสุรายาอีพูดง่ายๆว่าถ้าศีลส่วนใหญ่ยังดีอยู่ก็แปลว่าคุณไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ใช่คนเลวร้ายจนน่าอดสูอย่างที่คิดเอาละถ้ามองกันที่จุดเริ่มต้นว่าคุณไม่ใช่คนใจบาปสันดานหยาบหนาะ แล้วทำไมถึงเกิดเรื่องน่าละอายขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นคนนี้ที่ทำให้วาบหวามแบบผิดผิดได้รุนแรงคำตอบคือคนที่เคยผิดพลาดทางการบ่อยๆหรือมีมนต์ทินทางการติดตัวอยู่ก่อนเมื่อพบแล้วรู้สึกผูกพันกันภายใต้เงื่อนไขผิดผิดมักเกิดแรงดึงดูดที่ยากจะยัง้งบาปนะ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 ร่วมทุกร่วมทรมานด้วยกันมาแต่ปางก่อนก็จะกระตุ้นให้หูฝ้าตามัวลืมโลกลืมชีวิตได้แรงขึ้นกว่าหนในไห น, ไหนถ้าไม่ชวนกันหยุดก็จะร่วมทำผิดแล้วลากกันลงตาไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างตักตวงรถอัศจรรย์ทางเพศคุณและเขาจะหน้ามืดตามัว มองไม่เห็นหรอกว่ากําลังโดนม่านมืดของอกุศลครอบงําอย่างน่ากลัวเพียงไรต่อเมื่อเสพเสร็จแล้วอิ่มนําแล้วสติจะตั้งจึงค่อยกลับคืนมาจึงค่อยรู้ตัวว่าที่เพิ่งเสพผ่านไป น, นั้นสกรปรกน่าสะอิดสะเอียนปานใดอาจเปรียบได้กับคนหิวข้าวไส้กิว๋วตอนนั้นใครเอาอาหารจานไหนมาวาง ก็ตกลุ่มตะกรามกินหมดยิงถ้าได้เนื้อเผ็ดเผดดิบดิบจะยิ่งอรเด็ดอร่อยย่วลิ้นคนหิวเป็นพิเศษต่อเมื่อสวาปามเข้าไปจนท้องป่องพินิจของในจานใหม่นั่นแหละจึงค่อยพบว่าเป็นตับสดไส้อ่อนหรือเนื้อหมักที่มีหนอนเต้นระบายิบยิบอยู่ตรงน น, นิดตรงนี้หน่อยคราวนี้จะเกิดปฏิกิริยาตาโตคลื่นเหี้นอาเจียนอกอากอย่างไร ก็คงไม่ทำให้รู้สึกดีขึ้นได้และที่สำคัญไม่อยู่ตาลายอีกก็พร้อมจะกินอย่างไม่พินิศพิจารณากันอีกเนื่องจากติดนิสัยบุ่มบ่ามมูมามยามหิวเสียแล้วกามที่ผิดเป็นสิ่งเสพติดได้ยิ่งกว่าเนื้อรสเด็ดแต่คงไม่ถึงขั้นเฮโร อ, อีนเพราะเฮโร อ, อีนนั้น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 กระทั่งความเฉยชาพอกพูนหนาขึ้นบทบางแสงสว่างสิ้นสำนึกผิดชอบชั่วดีอันเป็นส่วนประกอบหลักของจิตมนุษย์เมื่อสำนึกผิดชอบชั่วดีทางกาหมดลงก็แปลว่ายางอายหายสูญสำนึกผิดชอบแล้วความละอายด้านอื่นๆก็จะพล่อยแห้งเหือดไปด้วยธรรมชาติจะสร้างความกระด้างขึ้นมาแทนความละอายต่อบาป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 แต่ไม่เก่าก็กระสับกระส่ายหาความสุขในชีวิตไม่ได้เมื่อสั่งสมความรู้สึกผิดมากขึ้นถึงจุดหนึ่งความสุขในรสกามจะหายไปหรือเหลือน้อยเต็มทนกามกลายเป็นความหน้าอึดอัดรู้สึกสกปรกจนทนไม่ไหวบีบให้ต้องตัดใจเลิกราในที่สุดพวกนี้ไม่ต้องใช้กําลังใจในการหักห้ามมากนะัก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 หรืออาการดูถูกตัวเองได้ในเวลาไม่นานนักเนื่องจากยังไม่ทันอ่อนแอก็บำเพ็ญขันติบารมีจนแข็งแรงเอาน้ำดีล้างน้ำเสียจนสะอาดได้เร็วผลที่เห็นได้ชัดคือความอดทนต่อความชั่วจะสูงขึ้นไม่เฉพาะความผิดในการมแต่ความผิดความเลวร้ายอื่นๆก็ผ่านประการขันติเข้ามาได้ยากกว่าเก่าสรุปว่า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 ก็ได้ชื่อว่าสร้างที่พึ่งให้แก่ตนในระยะยาวไม่ต้องผ่านการผจนภัยเปื้อนเปรอะเลอะโคลนแห่งบาปบ้างก็ช่างเถอะล้างๆหน่อยก็สะอาดแล้วจำไว้บอกคนอื่นเถอะว่าอบายจะรักษาเส้นทางของตัวเองไว้จนกว่าจะมีกำลังใจยิ่งใหญ่กว่าอบายเอามาชนะ กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันอาจเริ่มจากศรัทธาในความดีอาจเริ่มจากการกลัวบาปกลัว ก, วกรรมและพัฒนาขึ้นเป็นการหักห้ามใจคุณจะไม่รู้สึกฝืนลำบากนักหากตั้งสัจจะรักษาศีลให้ครบวงจรไปเลยเพราะอนุภาพของศีลย่อมส่งผลให้ใจเป็นสุขสงบแม้ต้องผ่านอุปสรรค ผ่านเครื่องลองใจยากๆในช่วงต้นแต่พอพ้นช่วงลองใจของธรรมชาติไปแล้วกายใจของคุณจะปรับสมดุลเข้าสู่สภาพปลอดโปร่งสบายและทำให้คุณมั่นใจว่าเมื่อยืนข้างสว่างความสว่างย่อมทอรัสมีอบอุน่นความรู้สึกทั้งชีวิตจะแตกต่างและไม่กลับไปอยู่ในโลกมืดอันหนาวเย็นอีก